พระธรรมเทศนาแผ่นที่107่ดลำดับที่18โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวั ด, ดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่20เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่ามีแต่ไม่รู้จักทำบุญก็น่าตำหนิอ้าวพระเนรลูกหลานนั่งประจำที่อย่าไปชาเร็วๆ กูบาเป็นผ้าน้อยผ้าหนุ่มทำอะไรอืดอาดไม่ดีต้องคล่องแคล่วเร็วตาไวหูไวก้นเบาลุกง่ายไปง่ายจะไปอืดอาดอืดอาดค น, นคือคนแก่ถ้าคนแก่นี่นก็อืดอาดวันนี้เป็นวันพระรหัสที่20สเมษายนพุทธศักราช2560 วันนี้พระและสมณเณรที่วัดของเราหสิบแปดรูปนะครับนัทศาย ญ, ญาติโยมดูดูแล้วก็เหมือนกับมากนี่แหละดูดูเราเหมือนจะพระเป็นร้อยแต่ไม่จริง68องค์ที่ครูบาอาจารย์เริ่มเข้ามามากพระเณรลูกหลานเข้ามาก็เป็นเนี่ยเป็นลูกศิษย์ลูกหารู้จักมักคุ้น กับหลวงพ่อมาช่วยงานจึงในพวธที่จะช่วยกันได้มาช่วยงานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวงานของหลวงพ่อเป็นงานที่ของลูกของหลานของศรัทธา ญ, ญาติโยมทุกคนหลวงพ่อเองไม่ได้จัดงาน ฟังไม่รู้กี่ครั้งละหลวงพ่อไม่ได้จัดงานนะลูกหลานนะเพียงแต่ว่าวันเกิดของหลวงพ่อวันที่26วันที่27เป็นวันเกิดแต่วันที่26คณะสัตธาญาติโยงเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาแต่ก่อนหลวงพ่อก็ไม่ได้จัดพิธี พ, พิธีกรรมพิธีการพอเหตุพระลูกหลานเข้ามาเยอะรูกระเด็นเด่นด้านด้า น, านไม่มีกฎไม่รู้จะทำยังไงหลวงพ่อก็เอา สวดมนต์ใะเย็นวันที่ส6บหกยี่สิบหกก็มีการสวดมนต์จากนั้นกลุงพ่อก็ได้ปรารถบวางงานนี้เป็นงานอะไรกับลูกกลาดคณะสัทธา ญ, ญาติโยมมาจากทางไกลที่มาพักค้างแรมที่วัดก็เลยถือเป็นประเพณีจากนั้นมาเราก็คงจะต่อไปอีก เพราะว่าคนคู่คนเข้ามามากๆก็ต้องมีศาสนพิธีรองรับถ้าไม่มีศาสนาพิธีรองรับก็ไม่รู้จะทำยังไงต่างคนก็ต่างอยู่ไม่มีกฎกติกาในชุมชนนั้นเพราะนั้นจึงมีกฎขึ้นมากติกาขึ้นมาเย็นวันที่26กก็จะมีการสวดมนต์ทำวัดเย็น จากนั้นก็หลวงพ่อก็จะได้มาปารกกล่าวกับลูกหลานเรื่องงานเรื่องการมีอะไรบ้างปีนี้เป็นปีที่เท่าไรหลวงพ่อก็มาขอบุญขอบคุณลูกหลานที่มาในงานในวันที่26ส่วนพอเสร็จแล้วกัพระสงฆ์ก็จเจริญพระพุทธมนตรในคืนวันที่26ตามสมควรกระสุนแท้แต่หัวหน้าท่านจะพาสวด อะไร่นั้นผงในเช้าก็ศรัทธาญาติโยงก็มาตักบาตรใส่บาตรแล้วก็วันที่ยี่บหกก็คงจะมีกิจกรรมเหมือนกับทุกคราวทุกครั้งอาจจะมีผู้มีจิตศรัทธารวมกันซื้อพวกข้าวสารอาหารแห้งพวกน้ำาตานพวกน้ำปลาพวก น้ำมันพืชพวกข้าวสารมาแจกพี่น้องใน 5-6 หมู่บ้านที่ใส่บาตพระสงฆ์ที่เลี้ยงพระสงฆ์มาตลอดพระสงฆ์ไปบิณฑบาตตอนเช้าก่อนเนี่ยพี่น้องลูกหลานเราเนี่ยใส่บาตพวกเราอยู่ไกลยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างประเทศอีกก็มีก็อยากจะทำบุญ มาวันนั้นก็มาร่วมมารวมกันพวกในสึกเอาของมาแจกให้ชาวบ้านเมื่อชาวบ้านได้ของแล้วเนะ่ยเขาก็มาทําบุญตักบาทกับพระสง์อีกอย่างเก่านั่นแหละหมุนหมุนเวียนกันนั่นเป็นการทําบุญเออพวกเราอยู่ไกลไม่ได้ทําบุญกับครูบาอาจารย์ไม่ได้ตักบาทพระสงฆ์เอานะาพวกเราเอามาให้พวกท่านให้พวกท่านเป็นผู้อยู่ใกล้ ก็ทาบุญตักบาตรครูบาอาจารย์ทั้งแบ่งกินแบ่งทานนั่นแหละพวกทาหารมีเอากินไป ท, ทานไปแล้วก็ทาเหลื อ, อ, อบริจาคทานนี่แหละสรุปแล้วก็คือการมีน้ำใจต่อกันการอยู่ด้วยกันจะร่มเย็นเป็นสุกพี่น้องลูกหลานกนัทายาิโยม ถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยกันไม่มีน้ำใจนะมีแต่ความเหิืแห้งมีแต่ความอิจฉาพยาบาทกันจะหาความสงบพรมเย็นเป็นสุขไม่ได้แต่มีน้ำใจต่อกันพี่ใดสองน้องใดหนึ่งแบ่งสรรปันส่วนกันพอที่จะแบ่งได้เว้นเสียแต่เราไม่ไ ม, ไมีที่อันจะแบ่งมันก็สุดวิสัยเพราะมันต่างคนต่างจนถ้าว่าคนหนึ่งรวย พอจะมีพอจะแบกได้อยู่เอาแบงเนี่ยะวันที่26ก็คงจะมีการเอาของแจกชาวบ้านตามทุกทุกครั้งที่ผ่านมาหลายปีแล้วก็พร้อมกันวันที่26ยินวันที่26 27ออาจจะมีการแจกของสำรวยมีธรรมเทศนาของหลวงพ่อบงังหนังสือบ้างก็มีคนเตรียม เอามาเพื่อจะแจกพี่น้องถวายพระสงฆ์ด้วยสรุปแล้วก็คือเนี่ยคือน้ําใจต่างคนต่างเทหลั่งไหลเข้ามาแต่หลวงพ่อเองที่เป็นเจ้าของงานเจ้าของเรื่องก็มีแต่ว่าขอบปูนขอบคุณลูกหลานหน้าศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมถึงแสดงออกสึ่งน้ําใจหลวงพ่อขอขอบคุณนอนุโมทนาให้ได้บุญหลายๆทุกคู่ทุกคน เ, เกิดมาพบใดชาติใ ด, ดก็ขอให้พวกเราเจริญรุ่งเรืองในธรรมแล้วก็ดวงตาเห็นธรรมหลวงพ่อก็มีแต่ให้ศีลให้พรกับลูกกับหลานกับทุกคุกคนแต่ผู้ไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรผู้ไม่ได้มาก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเออได้ลบได้พบกับหลวงพ่ออินแต่โนมนานแล้วก็ได้ฟังธรรมเทศนาของท่าน MP3 ของท่านบาง แล้วก็ทางเฟซทางยูทูบแต่ภารกิจภารธุระรของข้าพเจ้ามีติดทุระแต่วันนี้เป็นวันเกิดวันเกิดของหลวงพ่ออินก็ให้พวกเราสมาทานศีลห้านะออวันนี้ข้าพเจ้าจะเป็นวันเกิดของหลวงพ่อแต่ไม่ได้มาข้าพเจ้าจะรักษาศีลห้าสมาทานศีลห้าตั้งแต่นีนะ่ตั้งแต่ตีห้า ตั้งแต่ตีหขึ้นมาลก็พอตื่นขึ้นมาไหว้พระแล้วก็สมาทานสี่ห้าเพื่อเป็นปฏิบัติบูบชาน้อมลำลึกถึงหรือลำลึกถึงหลวงพ่ออินเป็นมุทิตาส ก, การะข้าพรเจ้าจะประกอบคุณงามความดีเพียงแค่นั้นน่ะหลวงพ่อปราบปลื้มใจอย่างมากนะลูกหลานนะผู้อยู่ไกลนะคือให้มีสิทธ์มีธรรม ักชั่วเยแต่พวกเรามีศีลมีธรรมอยู่แล้วล่ะพูดที่จะมารำลึกได้อย่างไรต้องมีศีลมีธรรมแต่ให้เข้มงวดขึ้นให้เข้มข้นขึ้นในวันนั้นแตอต้องรักษาเป็นพิเศษในวันนั้นอันนี้เป็นว่าเป็นผู้มีน้ำใจเป็นผู้มีเพียงแค่นั้นลุงพ่อเองก็รับยอมรับ ว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานของหลวงพ่อถึงจะอยู่ไกลาาก็จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถึงจะอยู่ไกลก็คือน้ำหนึ่งใจเดียวกันแต่ว่าผู้อยู่ใกล้จะเข้ามาแล้วไม่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมมีแต่มีเรื่องราวอันนั้นแปลว่าใกล้กับแบบพระเทวทัตใกล้พระพุทธเจ้าลักษณะอย่างนั้นเห็นเกือบทุกวีทุกวัน แตเห็นทีไรก็อิจฉาตาเหลือทุกวันอันนั้นแปลว่าไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านลูกหลานทุกคนนะผุดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อเห็นเน้นหนักเรื่องศีลธรรมคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในจิตในใจนั่นแหะคนที่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจะร่มเย็นเป็นสุขอยู่ณสถานที่ใดให้ประกอบสัมมาชีพนะมันขยันอดทนเก็บหอมลอมริบนะ หลวงพ่อมีแต่แนะนําสั่งสอนอย่างนั้นล่ะให้นําเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงเอามาใช้ในครอบครัวให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้หากํามันขยัน เ, เราอยู่บ้านนอกบ้านหน้ากันนะรู้จักปลูกรู้จักฝังะจะให้อดยอยากจากนั้นก็ให้รู้จักเก็บเพื่อได้มาแล้วก็ให้รู้จักเก็บอย่าไปใช้สุรุยๆไหลจนเกินไป ให้รู้จักใช้ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการใช้นี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงให้รู้จักหาให้รู้จักเก็บให้รู้จักใช้แล้วก็ให้มองตนเองเออมองให้มองข้ามซอดไปอีกนะข้ามซดยังไงถ้าข่าตายไปแล้วข้าจะไปที่ไหนบุญกุศลของข่ามีเพียงพอหรือยังบุญกุศลเป็นที่อุ่นใจหรือยัง ในการประกอบคุณงามความดีของข้าอันนี้ก็ให้มองดูตนเองอีกแล้วจะทำยังไงหลวงพ่อมองดูแล้วก็ให้ไาไหว้พร ะ, ะประกอบคุณงามความดีไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรือกว่าเป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนี่แหละอันนี้ก็คื อ, อ, อผู้ที่ ประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจ น, นี่แหละขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะคณะาทายาิโยมลูกหลานทุกคนนะและก็พร้อมกั น, นทางจังหวัดอุดรเขาก็นี่นะโปรโมทเรื่องจะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีวันที่29นะ29ที่ทุ่งสีเมืองอุดรจะมีการรวมกัน ทอดผ้าป่าเป็นครั้งแรกเพื่อหาทุนของจังหวัดอุดร น, นะจังหวัดอุดรครั้งแรกเพราะเสาเจดีของโลวงตาในยลงเสาเข็มเลยเด้อลงเสาเข็มป่าเข้าไปเกือบ9ก0าร้อยเาร้อยเ้าต้นเกือบสองเกือบพันเลยเด้อเกือบพันต้นแล้ ว, เ, 2, 1, เ, ล เ, 1, ลวเพราะฉะนั้นทางพี่น้องท่านผู้วาราชการจังหวัดอุดรกับพี่น้องชาวอุดรชาวตลาด และจัดผ้าป่าขึ้นมาท่านองค์ขามูตรีท่านพระรากรนะท่านมาเป็นประธานของวันที่ส0พอตั้งกองผ้าป่าที่ทุ่งสีเมืองกนิมลหลวงพ่อเป็นองค์ไปเป็นองค์เทศนะเป็นองค์แสดงธรรมหลวงพ่อก็ยินดีเพราะว่าถ้าเป็นงานของหลวงตาแล้วนะ จะเป็นเรื่องอะไรที่เชิดชูบูชาพระคุณหลวงตาหนะลวงพ่อน้อมรับยินดีเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปการให้การสนับสนุนเมื่อเทศนาว่าการจบแล้วก็วันที่30จะมีการทอดผ้าป่าที่วัดป่าบ้านตาดเวลา9ก้นาฬิกานะหือพระฉันจังหันเสร็จแล้วก็มีการทอดผ้าป่ากันแนละ้วท แหมจนได้มากได้น้อยก็นั่นขอให้ทุกร้านทุกคนนะเพราะหลวงตามีพระคุณสำหรับพวกเราหลวงตาเนี่นะท่านสร้างอะไรต่อมีอะไรให้กับประเทศชาติถ้าบรรยายไปแล้วหลวงพ่อคงจะไม่ได้ฉันอาหารวันนี้พ่อพระคุณของหลวงตาผู้มีปัญญามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นพระคุณหลวงตามากเว้นเสียแต่ผู้โง่ถ้าเป็นผู้โง่ก็มองไม่เห็น อย่างพระเทวทัตมองไม่เห็นพระคุณของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุลายเพราะความอิจฉานะถ้าว่าไม่อิจฉาพระพุทธเจ้าบรลยายทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งพบทั้งชาติกรมไม่มีที่สิ้นสุดพระคุณของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเกิดมาในโลกเพียงองค์เดียวในพัตตกะนี่ก็มีพระพุทธเจ้า5พระองค์กันนานเหลือเกินแผ่นดินสูงก็ตั้ง0ี่ร้นหมื ยังมีพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งเกิดขึ้นมาในโลก น, ะนี่แหละไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นมาบ่อยอันนี้เหมือนกันนะองหลวงตาของเรานะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบในยุคปัจจุบันแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมไม่ว่าแต่ในจังหวัดนะทั่วประเทศแล้วก็เกือบจะว่าทั่วโล ก, กต่างหากเพราะอะรเพราะธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ย เป็นภาษาอังกฤษมีมากต่อมากถ้าว่าผู้ใดไยในการศึกษาใยในการเรียนรู้ปฏิบัติเรื่องศีลสมาธิศีล ส, สมาธิปัญญาแล้วก็เนี่ยศึกษาได้เพราะธรรมของหลวงตามีมากนะและ้วกการช่วยเหลือทางอามิ t h หลวงตากนช่วยมากเพราะนั้นวันที่29เย็นหลวงพ่อจะได้ไป พบกับศรัทธา ญ, ญาติโยมหาทุนเพื่อสร้างเจดีย์ของหลวงตายังไม่พออย่าได้ล้มพอ่อทุนของหลวงตาเพราะอะไรเร า, เรายัางไม่ได้ผููรับเหมานะกำลังกำลังหาผููรับเหมาอยู่แต่มองมองดูแล้วตามแปลนแปลนที่ออกมานะคงจะไม่พอนะคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าน้าไม่น่าจะพอนะ เพราะนั้นคำว่าไม่น่าจะพอคํานี้แหละพวกเราจะต้องไม่ใช่ว่าสร้างพจะเจดีจบแล้วก็จะจบภูมิทัศน์ล่ะเอล้วงรอบขอบชิดละ่ะออะไรตัวมีอะไรที่จอดรถละ่ะมันมีมากมายที่จะตามมาเพราะนั้นจะต้องได้ใช้จิตุปัจจัย อ, อมากน้อยอยังไงเรากไ็ไม่สามารถที่จะพูดได้นะนั่นละ่ะเออ แต่ว่าไม่ใช่ว่ามันขาดจะก่อนนึงจะหาเนะี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ควรจะเตรียมเตรียมไว้ก่อนถ้ามันเหลือลหละถ้ามันขาดถ้ามันขาดไม่ค่อยดีนะลูกหลานนะถ้ามันเหลือเออดีกว่าเพราะอะไรพ ว, พวกเราจะได้พอมันเหลือเราก็ตั้งเป็นมูลนิธิใช่ไหมล่ะต่างเป็นมูลนิธิขึ้นมาเอาดอกผลมาใช้ดูแลพระเจดียขององหลวงตาบารุง การสถานที่ไงต่างๆที่มันที่จะต้องจัดต้องทําต่อไปภายภาคหน้ามันก็คงจะเป็นประโยชน์นะะถ้ามันเหลือมาดีกว่าขาดนะใครๆก็คงจะว่ายอย่างนั้นนะถ้าลุงพ่อไม่พูดก็คงคนทั้งหลายก็คงจะว่ายอย่างนั้นอีกเหมือนกันนั่นแหละอันนี้ก็คือเจดีย์ของหลวงตาอันนี้ก็ช่วยๆกันวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบ งานของหลวงตาหรือว่างานพับเจดีย์ของท่านกลับไปได้เรื่อยๆนะคข้าราทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะกล่าวไปเรื่อยๆเพราะมันขาดช่วงมาตั้งห้าหกปีเป็นปีที่หกผ่านไปจึงได้เริ่มสร้างพระเจดีย์่าจะว่าเร็วไหมเออเร็วอยู่ที่หลวงพ่อสร้างของคุณแม่ชีแก้วนี่สิปีนะลูกหลานนะ สิบปีผ่านแล้วยังได้ค่อยสร้างเจดีย์ของคุณแม่นะแต่นั้นก็มีเหตุมีผลอีกเหมือนกันในการก่อสร้างเจดีย์ของคุณแม่นะมีเหตุผลพอสมควรจุดนั้นแต่ของหลวงปู่ล่าไม่นานพอหลวงปู่ล่ามรรณาภาพแล้วก็ปีรุ่งขึ้นแล้วก็เริ่มกันเลยนั่นก็หลวกพ่อเป็นเป็นหัวหน้าในการสร้างพระเจดีย์ของหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าคุณแม่ชีแก้ว หลวงปู่จันสมหลวงปู่เพียนก็ได้เติมหลวงปู่โคกสาคอนหลวงปู่เต็มห ล, ลายแห่งลยหลวงพ่อได้เป็นเป็นผู้ร่วมช่วยกันคิดน ะ, า ะ, ดนนะการสร้างพระเจดีย์นี่แหละการสร้างพระเจดีย์ขององค์หลวงตาก็เป็นเครื่องเชิดชูบูชาพระคุณของท่านนะ สมควรยิ่งที่จะต้อ ง, องทำํำนี่แหละหลวงพ่อพูดแล้วประกาศอีกแต่หลวงพ่อในช่วงนี้หลวงพ่อก็เนี่ยเรื่องคิดเรื่องเจดีของหลวงตานะเป็นหัวจิตหัวใจนะทางว่าได้พู้รับเหมาเป็นจิตใจลักษณะหลวงพ่อก็คงจะเบาใจไปในส่วนหนึ่งอีกเหมือนกั น, นเบาใจเป็นส่วนมากเลยแหละพอได้พู้รับเหมาแล้วนะแต่นี้ก็ยัง มีแต่ลงตอกเสาเข็มกับพวกผู้รับเหมาตอกเสาเข็มแต่ยังไม่ได้ผู้รับเหมาใหญ่แต่ถ้าผู้รับเหมาใหญ่เนะะี่ยค่ะรู้จักขาดเหลือขาดตกอะไรเนพวกเราก็จะได้ช่วยช่วยกันพอลูกศิษย์ลูกหาองหลวงตาเนะี่ยมีมากไม่ใช่มีแต่หลวงพ่อนะมีมีมากช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือ น, ะนี่แหละเดืองจะตก ป, ปัจจัยเหมือนกันะนะฮะ ถ้าหลวงพ่อได้มาเนะีอย่างที่ไหนที่ไหนหลวงพ่อก็เก็บหอมลอมริบนะไม่ใจใหญ่ทุกวันนี้ทำไมหลวงพอนะ่อเพราะว่ า, เ, าเงินกรถินเงินผ้าป่าที่หลวงพ่อได้มาอย่างนั้นแต่วันเกิดหลวงพ่อไหมเหลือไหมทามันเหลือแติมมาก็ไม่ค่อยเหลือมากนะถ้ามันเหลือหลวงพ่อก็เนะี่ยผักเข้าไปเพื่อสร้างเจดีย์ขององค์หลวงตาเนะี่ะ พอหลวงพ่อรับเลยหลวงพ่อรับตั้งแต่คราวก่อนครั้งก่อนที่นั่นถ้าขาว่าผู้ใดไปฟังเทศหรือว่าทางฟังเอ็มพสมของหลวงพ่อแผ่นในช่วงแผ่นที่ห้บกว่ากว่าเนี่ยจะมีกันหนึ่งพูดเกี่ยวกับเกียรติเจดีของหลวงตาเนี่ยเพราะทุนกระหม่อมพระ อ, องค์ท่านมาวางชิลเลิกที่วัดป่าบ้านตาดในวันนั้น พอวางเสร็จแล้วหลวงพ่อก็เลยบอกพูดต่อหน้าต่อพระพักทุนกระหม่อมแล้วก็พี่น้องประชาชนหัวหน้าส่วนราชการมากวันนั้นเต็มศาลาใหญ่หลวงพ่อวันนี้นะเจดีขององค์หลวงตาเนี่ยที่อาตมาภาพได้ดูดแล้วจะตกปัจจัยมีไม่มากในวันนั้นนะ แต่จะให้ผู้ใดเป็นผู้มาเซ็นสัญญากับผู้รับจ้างก็คงจะไม่มีใครที่จะให้ให้มามาเซ็นสัญญาได้เพราะว่าปัจจัยของวัดไม่มากเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มอาตมาภาพเองกลุ่มของกระผมเองเอกลุ่มของอาตมาเองเอที่วัดปา่านาคําน้อยจะรับเป็นเจ้าภาพจะหาทุนช่วยสมทบ เพื่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเนี่ยห้าสิบล้านบาทเนี่ยหลวงพ่อก็พูดในที่สาธารณะเลยนะอ่ะแล้วก็พร้อมกันหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อจะทยอยให้แต่เงินกรถินเงินป้าป๋ามาเท่าไหร่จะเก็บพร้อมรอมเรีบแล้วกันสมทบก็เป็นงวดที่หนึ่งงวดที่สองงวดที่สามส่งไปเรื่อยจนให้ครบนี่แหละหลวงพ่อรับแล้ว หลวงพ่อก็ยังเยินยันอยู่เรื่องเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาถือว่าถึงเหมือนว่าเป็นท่านเป็นผู้มีพระคุณสำหรับหลวงพ่อนะเพราะในคณะ ท, ะทาญาติโยมลูกหลานทุกคนได้ฟังแล้วก็ในวันนั้นเออเอาภริมีก็มาร่วมสมทบกันแต่ลูกพ่อก็บอกเลยบอกอีกนะถึงจะขอให้พวกเรามาร่วมสมทบก็เถอดนะแต่ลูพ่อก็บอกว่าอย่าหนักใจเนะ ไม่ให้พวกเราเราหนักใจไม่ให้หนักใจเพราะหลวงพ่อเองขนาดหลวงพ่อเองเป็นผู้พูดก็ยังไม่หนักใจมันคิดว่าบา ร, รมีของหลวงตาเนี่ยอีกสักวันหนึ่งหลวงพ่อมั่นใจอย่างนั้นนะหลวงพ่อมั่นใจที่ผ่านๆมาคงจะไม่มีปัญหาคงจะไม่มีปัญหาถ้าจะมีปัญหากันนะั้นสุดท้ายนั่นแนหะ อยังค่อยดูอดูจะเป็นยังไงเพราะนั้นหลวงพ่อเองหลวงพ่อเองเป็นผู้ประกาศหลวงพ่ออีกคิดดีแล้วหลวงพ่อคิดดีแล้วจึงประกาศจะไม่ใช่ว่าคิดโดยประกาศโดยที่ไม่ได้คิดไม่อ่านเพราะหวงพ่อเป็นหัวหน้าของลูกของหลานของคณะศสัตยาญาิโยมนะอแต่ทีอย่างไงพวกเราก็ช่วยๆกันนะ นลไม้คนละมือหาได้ที่ไหนเกิดมาทั้งทีชีวิตจะได้สร้างกองคุณกองผุลกองสนสร้างเจดีย์ถวายพระอระหันต์หลวงตาท่านก็ประกาศเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกอีกเป็นอนันตการ อ, อันนี้พวกเราถ้าไม่ว่าพระอรหันต์จะว่าอย่างไง เพราะนั้นพวกเราทุกท่านนะแต่เชื่อในองค์หลวงตานะพวกเราก็ควรจะช่วยช่วยกันแต่ไม่ให้หนักใจผู้เลวคือไม่ให้หนักใจแต่ควรจะทำถ้าไม่ทำเฉยๆนะตำหน้าตำหนินะไม่รู้จะพอใส่พกใส่ห่อไปถึงไหนตายแล้วออกไปด้วยไม่ได้รู้จักทาบุญสร้างบุญสร้างกุศลไว้ก็ดีเหมือนกันนะสร้างพระเจดีย์เองค์หลวงตา ลุงพ่อมีแต่แนะนําอย่างนั้นนะลูกหลานสถาญาติโจรไปฟังฟๆหน่อยสิมีเหตุมีผลไหมเออถ้าว่าเป็นผู้มั่งมีแต่ไม่จักรู้จักทําบุญกน่าตํำหนินะเอ่อถ้าว่ายากจน เ, เงินก้อนทุดท้ายเราจะเอามาทําบุญอีกเออจนให้ครอบครัวปันปวนไปหมดนั่งกน่าตํำหนิอีกเหมือนกันเออเพราะอะไรไม่รู้จักประมาณตนทั้งสองฝ่ายนะ มีแล้วไม่จักทาไม่รู้จักทาบุญก็ไม่รู้จะเก็บไปทำไมเก็บไปเพื่ออะไรไม่ได้วางแผนไม่ได้สั่งบุญสั่งสมบุญไว้ไปไว้ไปในอนาคตไม่ได้วางแผนก็น่าตำหนิเหมือนกันนะเหมือนกับคนเราทำมาค้าขายรวยได้มาวันนี้จ่ายเอาจ่ายเอาทั้งที่เงินมันพอจะเก็บได้อยู่อพอเท่าแก่ชราไหมด ตัวเจนี่เพราะไม่รู้จักเก็บตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มนะมันก็หน้าตําหนิใช่ไหมล่ะพองกๆกันงา น, งา น, งานหาเงินไม่ได้มานะี่ไปหาขอเพราะนั้นผลทุกข ด, ดมาหาขอลูกขอห ล, อลานขอใครใต่ไม่ีใครทําให้เดือดร้อนนะแต่สมัยตัวเองยังเป็นหนุ่มไม่รู้จักเก็บหนะน้าตําหนิเลยอันนี้ก็เหมือนกันนะเราทํามาหาเลี้ยงชีพลารวยแต่ไม่รู้จักทําบุญพอเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเนะี่ย ยากจนเราก็น่าตำหนิเหมือนกันไม่ใช่หรอนะเอาอรับพรในคณะสัตธธายาิโจมพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร